โรคหัวใจตีบโรคถุงน้ำดีเป็นนิ่วโรคภูมแพ้โรคท้องผูกโรคกระเพาะโรคไ่เลื่อนโรคไ่เลื่อนถูกผ่าตัดแล้วผู้มีโรคร้า ย, ย่าง คือเคยได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่าชาติก่อนหรือในปัจจุบันชาติลรคปุ่เทศมีแต่โรคฉราวนั่นล้วนไม่มีโรคออื่นมาปนเปยเพราะไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ผู้เคยเบียดเบียนสัตว์มีโรคมากผู้เคยฆ่ามากก็มีอายุสั้นก็มีอายุยาวกตรงตัวคนฆ่า ก็จะเกิดตระกูลสูงคือเคยได้เคารพนักในาทางเคารพมาแต่ชาติก่อนก็เกิดตระกูลสูงเช่นสมเด็จพระบรามราชาเป็นต้นใครจะเก่งสักเพียงใดก็าตามก็อยู่ใต้อำนาจกรรมและผลของกรรม ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพราะพุทธศาสนาเหมือนกันทำไมจึงอาบนะ้ำเพราะร่างกายมันสกรปรกทำไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันสกรปรกมีคนามหมายอันเดียวกันถ้าโรคโกรธหลงไม่มีถ้ากิเลสก็ไม่ก็ไม่จําเป็นจะปฏิบัติศีลธรรมถ้ากิเลสมีมีโรคมีโกรธมีหลง ก็ปฏิเสธปฏิบัติจินทำไม่ได้ถ้าร่างกายสปกปรกก็ปฏิเสธอาบน้าไม่ได้ถ้าร่างกายมีโรคเบียดเบียนก็ปฏิเสธไปหาคุณหมอไม่ได้ในใจโกรกธาตุทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลานับแต่ละล้านปีจะไปในอนาคตหรือรวงมาแล้วใครเป็นผู้สอนดี ก็พระพุทธศาสนาะเท่านั้นสอนดีกว่าใครๆทั้งปวงในโลกคำสอนพระพุทธศาสนาะมีทั้งมนุษย์สมบัติมีทั้งสวรรค์สมบัติมีทั้งพรหมสมบัติกลมเกลือนกันอยู่ในตัวเ้วผู้มีปัญญาจึงจะขบแตกผู้ไม่มีปัญญาก็กบไม่แตกเพราะฟันไม่ดีเข้มทิ์ จะมีกี่ล้าน้านก็ชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็เป็นคําเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นเฉมทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชื่อไปในทางที่เหนือไม่มีกลางวันกลางคืนคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแลยไม่เชื่อ แล้วก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเลเชื่อมในทางลึกเพื่อให้นึกหลายๆทางนั่งให้หน้องครองเปลืองบางต่างๆไร้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนในดๆก็ไร้ลงสู่คําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลยเรียกว่าอริยสัจธรรม พระพุทธเจ้าจะมาขี่ร้านๆพระองค์ก็ตามเป็นยุกยุกยุกยก็ตามก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้รบล่างพรบกันเลยแต่ชาวโลกขี้โอไม่อยากจะเอาคําสอนพุทธศาสนามาพิจารณาการตั้งกฎหมายกฎหมู่กฏพักกฏพวกของชาวโลกไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดลบหลีกพระพุทธศตัตว์ลบหลีก วัหมายพอลบเหลยกได้ผลของกรรมลบเหลืกไม่ได้กรรมย่อมสนองกรรมกรรมแบ่งออกเป็นสองทำด้วยกายเรียกายกรรมทําด้วยวาจาเรียวจีกรรมแบ่งออกเป็นสามทำด้วยใจเรียกมโนกรรมกรรมแปลว่ากิริยาเทธรรมถ้าทําดีผลของความดีก็ามาหาผู้ทําถ้าทําชั่วผลของความชัวว่วก็มาหาผู้ทําใครเป็นต้นสาเหตุของการทํา ก็คือใจเป็นต้นสร้างเหตุของกรรมสร้างลายนอกจากใจไม่มีอันไดจะทำดีให้ใจนอกจากใจไม่มีอัะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นสร้างเหตุลงใจเท่านั้นได้รับผลของเหตุเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนึกผลก็นึก เหตุคิดผลก็คิดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุนึกไปทางดีผลก็นึกไปทางดีแล้วนึกโกรธในเวลาเดียวนี้รถของความโกรธพวกนี้จึงจะมาหาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมาเดี๋ยวนี้นึกเมตตาเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้วานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นคำสอนพุทธศาสนานละเอียดหรือไม่ ละเอียด mm. มาจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยคำสอนพระพุทธศาสนาจงเป็นผู้อาถารในทางทำดีจเป็นผู้อาถารในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้รักความดีจะเป็นผู้รักความชั่วเลย อยาเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอยากเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเมื่อทำชั่วอะไรความชั่วก็ไปบวกอยู่ที่ใจเมื่อทำดีความดีก็ไปบวกอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ที่ดินฝ้าอากาศทำดีก็ต่ออายุของความดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ต่ออายุของความชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ต่อที่ดินฝ้าอากาศเลย คำสอนพระพุทธศาสนายืนยันทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ฮฮดิกาแฟว่าเป็นคำภาษามคตคือละอายต่อบาปทุจริตโอตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตแปลเป็นคำทย ถ้าไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วใครเป็นผู้บัญญัติบาป บ, บุคุณโทษถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นเลื่องนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยอืมสิ่งที่ดีว่าชั่วก็มีสิ่งที่ชั่วว่าดีก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้พระพุทธศาสนาบัญญัติถูกเห็นนั่นจึงยืนยันว่าสัทธาเทวนุสานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายอย่างผึงผายเลยไม่ขั้นข้าม ไม่ขั้นคร่เลยพระพุทธศาสนาถ้าชาวโลกไม่มียางอายตวามไม่มีความกลัวตวามแล้วกฎหมายกดหมูกดพักกดพวกจะตั้งขึ้นทีนล้านล้านมันก็ไม่อยู่ทําคนชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับถึงจะปิดบังไว้สักเพียงใดก็ทําผลของกรรมก็ตามสนองอยู่นั่นถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ผลของกรรมมีอยู่เราจึงเชื่อพระพุทธศาสนาผลของกรรมเป็นพยานพระพุทธศาสนาแล้วใครจะซ่อนความผิดไว้สักเพียงใดก็ต า, ามนัดเทียโอเคนะหัวดามะความลับก็ไม่มีในโลกแม้เราโกหกเราก็รู้จักว่าเราโกหกดูเราไม่โกหกเราก็รู้จักว่าเราไม่โกหกดูมันรับที่ไหนมันไม่รับ พระพุทธศาสนาะจะล่วงไปสักเท่าไรก็ตามผลของกรรมก็ยังมียังมีอิทธิพลอยู่คนเรามีอิทธิพลทุกๆคนถ้า ท, ท, ทาําดีก็เป็นอิทธิพลในทางดีถ้าทําชั่วก็เป็นอิทธิพลในทางชัว่วใครลงลุยลุมถานเพลิงก็ให้ลุมถานเพลิงตัดสศนเอาสังขายยายเอา มีทั้งสารไต่สวนสารตัดสินสารอายการพยานอีกเสลดตัดสินพ่อกันเลยใครเว้นมันก็ไม่ไ ม, ไม่ร้อดใครลงลุยเวลาไหนมันก็รอดเวลานั้น่ะอนึกไปทางดีก็ให้ผลดีอยู่ที่ใจนึกไปทางชั่วก็ให้ผลชั่วอยู่ที่ใจส่งเสริมไปทางชั่ว ผลขอั้วอยู่ขัอยู่ที่ใจตามเหตุผลที่ทํามากและน้อยคนเรามันเชื่อกำและผลของกรรมไม่เชื่อความดีความชั่วที่ตนทําลงก็ไม่มีที่พึ่งอัตโนนาโถตันี่เป็นที่พึ่งของตนก็คือการทําดีเป็นที่พึ่งของความดีการทําชั่วเป็นที่พึ่งของความชั่วทําดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่นิพระอากาศเลย ทำดีก็ทำดีฉลองใจทาชั่วก็ทาชั่วฉลองใจกาในดใครเกอก็คือคิดใจผู้กาขึ้นคนตายมันไม่ก่อเพราะวิญญาณมันอยู่ในที่นั้นถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้พระบรมศาราสอนง่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเอง เรื่องอาหารก็ทานเองเราตถาคตทําแทนไว้ได้เป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นนั่นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นก็เราเนี่ยจิตใจของเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเราบอกพวกเธอทําดีถ้าพวกเธอไม่ทําเราจะทําแทนพวกเธอก็ไม่ได้พระบรมศาสดาเอ้า oh. ถ้ามันเชื่อชาวโลกถ้ามีชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโรคเอดก็ไม่ต้องมีเพราะมันมีขอบเขตโรคน้องในฟีมะม่วงก็ไม่มีเพราะมันมีขอบเขตเพียงชิ้นห้าเท่านั้นโรคสงบแล้ว ถ้าโลกไม่มีชิ้นหน้าจะตั้งขึ้นกี่ลาดมานตามันก็ไม่อยู่ใช่ไหมมันก็มีแต่มาน ต, ตายกับมาา่านชิหายอ่ากูทีมึงทีทะเลาะกันนะอา้าวชิ้นหน้าข้อข้อที่หนึ่งปนานทาทิบาตคนเราถ้าสามารถฆ่าเป็นฆ่าไก่ได้ก็ต้องฆ่าสุนัขได้ก็ต้องฆ่าสุกรได้ ก็ต้องฆ่าโคกระเบือได้ก็ต้องฆ่ามนุษย์ได้ก็ต้องฆ่ามนุษย์ที่มีคุณได้ก็ต้องฆ่าวิดามานาได้ก็ต้องฆ่าท่านพโมีุณมีพิษสุสามเณีได้เหมือนกันนั่นลูกไม่ขีดไฟลูกเดียนทีนี้ชิคกาวดข้อที่สองท่นนี่อธินาทานถ้าสามารถรักเข็มเล่มหนึ่งได้ก็สามารถ รักเป็ดลักไก่ได้ก็สามารถทวียขึ้นอีกเหมือนกันถ้ารักมากลักเกินไปเอาไปฆ่าซะก็มารวมข้อต้นนั่นกาเมสเม็ดชาจา์ถ้าร่วงละเมิดมากขมขืนบ้ารักไถจับไปกี้ไปป้นบ้านั่นค่ะ ลวงประเวณีเขาว่าเอาไปฆ่าซะก็มารวมข้อต้นโมสาถ้าพูดปดหลอกลวงมากต้มตุนให้ชิ้นผายวายป่วปงมากเกินไปเอาไปฆ่าซะมารวมข้อต้นองเหมือนกันโซดาเมระยะกินเป็นระยะมันก็มเมาเป็นระยะอกินเป็นระยะมันไม่เป็นไม่ไรหรอกเขาพูดอย่างนั้นมันก็มเมาเป็นระยะ เสียทรัพย์ก่อการทะเยาะวิวาทเกิดโรคต้องติเตียนไม่รูดจัากอายถอนกำลังปัญญาเป็นระยะบางทีก็ฆ่ากันตายในที่นั่นอีกด้วยมารวมข้อต้นมดถ้าชาวโลกไม่ชน้โามเดบู์โซตรวนไม่มีสงครามก็ไม่มีแต่พากันไปแก้ทางอื่นอย่างนั้นยานี่เรานึกอยากจะหัวเราะไม่แก้ใส่ศีลใส่ธรรมเลย ตำแนงกิเลสไว้ลถเลยสินห้าไม่รักษาแต่กฎหมายตั้งจะพึ่ตจะพือเบื่อมากเรากฎหมายกดหมู่กดทักกดพวกการตั้งกฎหมายผู้ใดมีเงินมากก็ตั้งกับพวกนั้นมากมึงมยกมือให้กูกูตั้งเอาตังค์จ้างมึงไม่ใช่ประชาชนที่ประไตยชาวโลกประชาชนที่ประเงิน คนื่อมีเงินมากคนนั้นก็ต้องชะนะนั่นมันเป็นธรรมที่ไหนนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งคนชั้นต่ำเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดคนชั้นสูงเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดรอบนี้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยและมากธรรมัยุตตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าทิ่งิ้งนี่เป็นเหตุแห่งสุข สิงนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์อตันยุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อตันยุตตาควาอเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยูจักสมบัติบริวารและความรู้คุนทำเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรมาพึตงตนให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรสีมัจจัญยุตาควาเป็นผู้รู้จักเรี่ยงชีวิตในทางที่ชอบการัญยุตาเป็นผู้รู้จักกาละเวลาอันสมควร และในการประกอบกิจนั้นนั้นปฏิสันโุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนแลจิริยาที่ว่าพึ่งต่อชนชนประชุมชนนั้นนั้นว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นพุคละประโรปัลโยตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเป็นต้นนี่คืออะไรคือภูมิของปัทถวดาวันปัสถวดาวัน มีหน้าที่ขาาา้าราดก็ทำได้ไม่ว่าแต่พระแต่เนรชาวโลกมีศีน้าบริบูรณ์เท่านั้นแหละไม่ต้องตั้งมากกฎหมายตั้งเพียงงบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วนี่ชาวโลกไม่มีศน้าเออแล้วก็พูดข้ามไกลไป อันนั่นอันนี้ทันสมัยอันนั่นทันนี้ทันสมัยทันสมัยเวรสมัยภัยนั่นเองอด้านกิเลสไม่ลดจำเนงนี่มึงจะตั้งกฎหมายขึ้นมึงไม่ยกมือให้กูกูเอาตังให้มึงตั้งมันขึ้นตะพุตตะเพือเดี๋ยวก็รบเดี๋ยวก็ล้างทิ้งเดี๋ยวก็หมดใหม่มาตั้งรัฐบาลขึ้นอีกก็ยุกอีกตั้งอีก ชาวโลกเอากันอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนพระสมานพระพุทธเจ้าพระสมานพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนอันเดียวมีประโยชน์ทั้งไปสุสัมเดชและอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเทวดาอินพรมยมยักษ์ด้วย น, น, น, นั้นจึงไม่ควรประมาณพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนายังอยู่ยังเงินยงทรงอยู่ที่หัวใจของชาวโลกชาวโลกก็จะอยู่ได้ ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามทะเลน้ําตาทะเลเลือดอายุวัณโรคขังพลังเอามาจากไหนเอสวัสดีคนณปูคณ่คนณย่าคนตาคนยายคุณหนูคุณพี่คุณน้องมาจากไหนก็มาจากอายุวนโนสุขังพลังของพระใช่ไหม ปริยาตีปัญญาโทรปริญญาเอกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธศาสนาญาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีะนภะณปัญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณาภาหนะปิญญากําหนดรู้ด้วยการละเสียนั่นนั่นนั่นนนนนผู้ใดเอาพพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งผู้นั้น เช่นลมปานแล้วแม้มนุษย์ก็สวรรค์ทําไม่อย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามคําสอนพระพุทธศทาสนาเบื้องต้นสอนให้เลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันทรงอยู่ที่ดวงใจไม่ได้ทรงอยู่ที่อื่นสอนมาให้ล่วงละเมิดชิ้นห้าสอนมาให้ล่วงละเมิดอบายยมุก ทุกประ เ, ทเภาาทเรียกพระบัตรเบอร์ส่งเสริมอบายามุกกับส่งสูงส่งเสริมให้คนปีนเกลียวพระพุทธศาสนาข้อันเดียวกันกับส่งเสริมเอาไฟเผาโลกก็อันเดียวกันอบายามุกเป็นมนุษย์นิบัตเป็นสวรรค์นิบัตเป็นพรหมนิบัตเป็นนิพพานนิบัตด้วยถ้าเวีนอบายามุกแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัต สวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพานสมบัติไปในตัวไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดอบายมุขไม่ใช่ได้ยร่วงละเมิดศีลหน้าไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเลิกดียามดีไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดเขาทําผิดก็ให้แล้วกันไปซักถ้าเขาเคยทําผิดเรามาแต่ชาติก่อนก็แล้วกันไปซักถ้าเราไปทําผิดก็ให้แล้วไปซักเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใด นั่นภูมิปัทโธดาันไม่มีเวรในภัยเลยนอนก็ไม่สะดุ้งผาวาพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างด้านค้าขายพระบรมศาสตราก็อสอนไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อนทรัพย์ที่ตัวค่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายนำา้ำมันไม่ค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโธดาันไม่ เชื่อได้ล่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เชื่อได้สิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นไม่เชื่อได้อยากลงลุยหลนม่านเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจไม่เช่อได้อยากเอาน้ำลายที่บ้วนทิ้งแล้วมาเข้าปากอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจทำไมจึงไม่เช่อได้เพราะเห็นดิ่งลงไปว่ามันเป็นทางชื้ผายถอนไม่ออกเหตุ น, นั้นจึงไม่เช่ได้ล่วงละเมิด ความดีคนดีทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยากความชั่วคนชั่วทำในง่ายคนความชั่วคนดีทำในยากตรงกันข้ามมูดโคดแม่งวันหาง่ายแต่มเม่แรงพึ่งไม่ตองการเลยพวกผู้เทนมา มาเยี่ยมบางทีเออพวกผู้แทนมาเยี่ยมลุงปู่จะถือเป็นลูกลูกหลานลุงปู่เป็นคนร่าสมัยจะกรกโจนให้ลุงปูนะ่เนอเราผูกมัดแค่ก่อนถือเป็นลูกลูกหลานสักแล้วลุงปู่อยากจะขอถามว่า ทำไมพวกลูกๆจึงไม่เอากฎหมายไว้สักข้อบ้างประเทศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเรามาแต่ดึกดําบรรพ์ทไมพวกลูกๆจึงไม่เขียนไว้บ้างใครจะถือได้ไม่ถือก็ไม่บังคับทําไมจึงไม่เอาไว้บ้างเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติบ้านเมืองของเรา พวกลูกๆขี้ขาดใช่ไหมเกรงจะเปียใจทัดนผู้อื่นใช่ไหมเพราะไม่ใช่กฎหมายโลกโกฎหมายประเทศของเราทําไมจึงไม่เขียนไว้ใครจะถือหรือไม่ถือก็ไปในบังคับเนี่ยทําไมจึงไม่เขียนว่าเป็นมิ่งขวัญบ้าเราพูดอย่างนี้กําลังหาเสียงอยู่ครับมากําลังหาเสียงเราเป็นมแมลงผู้มแมลงพึ่งจะไปหาเสียงกับมแมลงวันมันจะให้เราหรือพูดอย่างนี้ ที่นี่ธาตุพนมไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้พระพุทธรูปฝังอยู่ใต้ดินไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้ลึกประมาณเม็ดหนึ่งก็มีแต่โบราโบราณพระไตรปิดกเต็มกรุงเทพอยู่นะัสอนอะไรชั่วทำดีเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้ พระพุทธรูปแต่ประเทศไทยอยู่นั้นอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือประเทศไทยของเรานับแต่กรุงทวาราวดีศรีอยุธยามาหรือก่อนนั่นอีกก็สมเด็จพระกรมราชาก็นับถือศาสนาทั้งนั้นซรือพระพุทธศาสนาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือเราพูด อ, อย่างนี้ใช่ไห พระไตรปิกครบแล้วไม่ใช่เสียงหรือพระไม่รุษช่ามเนรเต็มบ้านเตเมืองอยู่นั้นไม่ใช่เสียงหรือครับพกอย่างนี้จะไปหากับใครอีกจะไปหากับคนขี้เล่ามันจะให้ไหมเราพูดอย่างนี้พวกลูกห ล, ล, ล, ล, ลานจะขบถพระพุทธศาสนาในอนาคตใช่หรือไม่ครับพวอย่างนี้ จะปีนเกลียวในอนาคตอยู่จึงไม่กล้าเขียนลงเพราะเป็นพวกผู้แทนที่ซื้สธาธารณะด่าอื่นใช่ไหมเราพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้บังคับเนี่ยใครอยากถือก็ถือเม่อใครไม่อยากถือก็ไม่ถือทําไมจึงไม่เอาไว้เราพูดอย่างนี้เข า, าก็บอกหาเสียง อ, อยอองอู่ับกระเกาหัวเลยอย่านี้เขาก็หัวเราะลุงปู่ที่ พวกนายพันตรีนายพลตรีมาหลวงปู่ก็ถามเหมือนกันในเรื่องนเรื่องสินห้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนยอถ้าชาวโลกมีสินห้าหมดนี้แล้วทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีโซ่ตรวนไม่ต้องมอีเครื่องรบเครื่องราฆ่าฟันกันอดดิษอดเดชกัน ก็อดเวรอวดภัยนั่นเองไม่มีใครแพ้ใครชนะกันเลยแม้ไม่ว่าแต่เพียงมนุษย์สัตว์ที่ระชาไม่รู้จักบุญจักบาปอะไรมึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบมึงตายเป็นกบกูก็ตายเป็นงูกูกินมึงมึงกินกูมึงตายเป็นหนูกูก็ตายเป็นแมวนั่นเอากันอยู่ไม่ได้อาไม่รอดเลยถ้ากรรมแล้วพระพุทธก็ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ะ เอ้ามีพูดทําลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีกองทัพน้ําลายว่วนขึ้นฟ้าถึงฟ้าได้หรือไม่อานี่ก็าถามอีกถ้ามีกองทัพน้ําลายว่วนขึ้นฟ้าถึงฟ้าพูดทาลายพระพุทธศาสนาก็ทําลายได้ถ้าไม่อย่างนั้นเรียกปัญญาเอ่ยเลยเอ้า ลมพัดมาตึงตึงตึงตึงตึงตึงมีกองทัพกำฝุ่นคว้างใส่ลมสู้ลมได้ไหมเมื่อลมมพัดเมื่อลมมารับไว้มันก็เข้าตาของไขของมันกองทัพน้ำลายบวนขึ้นฟ้ามดเราทุกคนเขาไม่ถึงมดไตโลกระธาตุเขาไป่ถึก็ตบใส่หน้าของไข่ของมันไม่มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้เลย มีพูดทำลายรถมีมีพูดทำล า, ายไฟไม่ให้รอนได้ไหมมีพูดทำลายน้ำแข็งไม่ให้เย็นได้ไหมนั่นก็ทำลายไม่ได้เหมือนกั น, นใครทำผิดก็เป็นเฉพาะคนผิดผู้ใดทำถูกก็เฉพาะเป็นผู้ผู้ถูกเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่ผู้ทนึ่งทำผิด จะไปผิดกันทั่วโลกมันก็ไม่ถูกเหตุนั่นจึงไม่มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้มีผู้คว้างพอนใส่หินดานได้หรือไม่คว้างไกลมันไม่ถึงคว้างใกล้นักมวยเอกก็รบไม่ทันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ทำดี แต่ความดีในทางพุทธศาสนาบัญญัติถูกวิเยทุกขมัตเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเพียรเพียรในทางดีไม่ใช่เพียรในทางชั่วความเพียรสังวรประทานเพียรระวังมาให้บาปเกิดขึ้นในสั้นานพระหานประทานเพียรระบาบที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรห้กษศผลเกิดขึ้นในสั้นานอนุรักษนาประทานเพียรรักษากผลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมความเพียรที่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบ คนประกอบให้มีในตันยน่นความเพียรลงมาเป็นสองซักเนี่ยเพียรและชั่วทำดีเป็นคำสอนของพุธทธเจ้าทางลายนะคนเรามีอิทธิพลทุกคนต้องเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำดีอย่าเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำชั่วคนเรามีเป็นผู้ใจถึงเหมือนกันจงใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วอืม คนเรามีความจำเป็นเหมือนกันจำเป็นจะได้ทาดียาจำเป็นจะได้ทาชั่วนั่นคนเรามีอภิเนหานเหมือนกันมีปาฏิหารเหมือนกันจะปาฏิหารในทางทาดีไม่ปาฏิหารในทางทาชั่วเมล็วันมีปาฏิหารทางกินมูดกินโคดใช่ไหยเมลงผู้เมล็ดพึ่งมีปาฏิหารทางกินเจสรดอกไม้ใช่ไหม มิตรดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็จีดกันมิตรดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนดีทําดีก็ส่งเสริมตอนไหนทําชั่วก็จีดกันไม่ใช่ว่าทําดีก็ค่อยตามทําชั่วก็ค่อยตามต่อหน้าวา่าสนรเสริญรับหลังตั้งนินทาใช่ไหมได้เอา้าคําสอนพุทธศาสนาะอันไหนที่ท่านไม่สอนไม่มีเลย พระพุทธศาสนามีชั้นวันละไหมก็มีชั้นวันละเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เปือบเหมือนคุณเปรียบเหมือนคุณพหลานท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทําจิตโทระของท่านดํารงวงตะกูลประพฤตตัวเป็นคนควรรับทบรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทำํำบุญที่ในท่านนั่นชวนท่านลงทุนก่อนเราแล้วหนึ่งห้ามจะทำคนชั่วสองให้ตั้งอยู่ในครดีสาม ให้ศึกษาศิภปวิทยาสี่หัฟพันยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทชาภายในสมัยมันต้องมีศักดินามีชัดวันณะเหมือนกันจึงสอนกันได้เก็ตัวยืนคำนับผมยังคงคันจะยืนขรับเสียว่างสั่นหมาะ นักเรียนอยาไปคุยกันมากผมอยากคุยครับแต่ว่าั่เนบอทีนี่พระพุทธศาสนามีชั้นวันละไหมก็มีชั้นวันลนะเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เปือบเหมือนคุณ เกียมมันคุณพระหลานท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจโทระของท่านดํารงวงตะกูลประพฤตินตนเป็นคนควรรับทัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำ น, นุญที่แดนท่านนั่นชวนท่านลงทุนก่อนเราแล้วหนึ่งห้ามกระทำคนชั่วสองให้ตั้งอยู่ในครามดีสามให้ศึกษาทินาภวิทยาสีหภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยนี้ มันต้องมีศักดินามีชาติวันละนเหมือนกันจึงสอนกันได้จ้ตัวยืนคำนับผมยั ง, งคงท่นานจะยืนคลรับเสวานั่งสั่นหมอนนักเรียนอย่าไปคุยกันมากผมอยากคุยครับเสวานั่งสั่นหมอน ทีนี่ใครอยากกระถามอะไรก็ถามขึ้นมาไว้เหนื่อยแล้วฮะเออเมื่อยนับปุ่มไเอาแล้วนเนาะทำอย่าเนาะเออพอไหนลงเนื้อ ง, งานของเขานะเอพอพ่อไหนลงเนื้อ ง, งางว่าเออไปแล้วว่าจะเกิดโรคเขียนสองทุกตัวเนาะแม่บอ <c oughs> เดี๋ยเดี๋ยวเดียน้อยเนี่พระพุทธศาสนา อันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมัอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้เลยไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อเลยไม่เชื่อและก็เหนือนโลกอยู่ทุกยุคยุคสมัยด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทั้งทางใจโราจากาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระธรรมท่านพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโอยชอบโดยด่วนโด ย, โด ย, โดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อถือ ไ, <ป>ไปเลยเ กฎหมายจะตั้งไว้กี่ a t h a มันไม่อยู่นะลูกหลานนะเนองถ้าไม่มีสิทธิธรรมทำความผิดในที่แจ้งมาได้มันก็ไปทําในที่รับมิน้าซ้ํามันก็ทําต่อหน้าด้วยถูกไหมนั่นนั่นทำไมจึงอาบน้าก็เพราะร่างกายมันสกรปรกทําไมจึงปฏิบัติสิทธิธรรมเพราะจิตใจมันมีกิเลสจริงจริงน้าเรนได้ยินเสียงพวกกูแทนเถียงกัน แล้วก็ละอาใจเลยที่ดินจะให้มันเหลือมันก็ไม่เหลือลูกหลานเอ่ยเอพวกค้ากินเอะทําทไร่ใช้นามันเกิดมาจะให้มันทําใต้ถุนมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมจะให้มันไทําอากาศมันก็ทําไม่ได้เหตุนั้นจึงแบ่งหนักให้เป็นเบาก็ต้องแบ่งที่ดินให้เขาบ้าถูกไหมเออ่วนเงินเดือนก็ขึ้นให้ พวกทำเดือนเงินเดือนมาจากไหนก็มาจากภาษีอากรใช่ไหมนั่นถ้อห้ามไม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองก็จริงอยู่แต่ว่าพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไม่สอนผีตัวไหน้ก <c oughs> ็หน้าที่ของโยมคือทํายังไงหน้าที่ของโยมทํากับพระ ด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวิจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาที่เรื่อความเป็นผู้ให้ปิดประตูก็ห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมธสถานหน้าที่ของญาติโยมหน้าที่ของพระคื อ, อยังไงหนึ่งห้ประทานความชั่ว้องให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม ที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังถ้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสานให้นั่นนั่นหน้าที่ของพระนั่นนั่นนั่นที่ตั้งกฎหมายว่าให้พระไม่ให้พระสอนว่านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นเนี่เเราคนเดียวเป็นมนุษย์โลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้ เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้เราคนเดียวเป็นอำเภอเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นครอบครัวไม่เออเป็นหมู่บ้านเป็นตาบลเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นครอบครัวไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นกระทรวงไม่ได้ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันก็ต้องต้องผ่อนหนักให้เป็นเบาจะผ่อนให้ทางใดทางหนึ่งมันก็ไม่ถูก ถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในโลกแล้วทะเลน้าตาทะเลเลือดทะเลเวรทะเลภัยจะฉลองสังเวยโลกถึงอย่างนั้นก็ทะเลน้าตาทะเลเลือดทะเลเวรทะเลภัยมีอยู่อีพอ่ออีแม่เอยที่คุณพอ่อคุณแม่เอ่ยอ๋อนั่นนั่นนั่นทีนี้แล้วปูกข่อหววเล็ ในอติตารมไม่ได้มวลในลึกแขะเบื้องหลังในตัวไม่ได้สมัยก่อนวัดก็ไม่มีมากถึงขนาดนี้เพราะคนไม่มีมากสิบห้าด้านเศษสมัยหลวงปู่เกิดรัชกาลที่หกแล้วป่าไมมลําทานก็ไม่มีมากอันไหนก็ป่าสงวนวัดอันไหนก็ทุ่งสงวนวัดที่ไหนไม่สงวนไม่มีดอกอืถูกไหม mm. ที่ดินนับแต่ตารางเม็รหนึ่งก็เป็นที่สงวนทั้งนั้น เพราะมัน ไ, ไม่มีที่ทํากินอันพวกลูกๆ ล, ล้านๆผู้ที่เป็นข้าราชการมันมีเงินเดือนกินใช่ไหมอือก็พวกนายทุนมันก็มีเงินเดือนกินอันคนคนพวกทุกเนี่ยมันจะตายนี่มันจะเอาอะไรมาซื้อเช่นขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการ พ่อค่าเขาก็ขึ้นราคาของเหมือนกันพวกหลังสู้ฝ้าหน้าโทษดินไม่มีอะไรขึ้นเข้าวเปือกเขาก็ไปขายก็ราคาไม่สูงราคาข้าประเทศไทยไม่อดดอกแต่มันอยู่โรงสีผู้อดจะตายแล้วถูกไหม <c oughs> เขาไปกักตุนไว้ล่ะทีนี้ข้าวที่เขาเชียรลก็ต้องแพง น, นี่ชาวโรกวุ่นวายกันวุ่นวายหนที่นี่คัดข้อขอนอก็ชาวโลกเขาวุ่นวายสิเพราะมันเกิดมากมากมันเหนือประเทศแล้วประเทศไหนมันก็เหลือหมดเหตุนั้นท่านจึงแหวกให้ออกประตูไปพระเนพานไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกนี่ถ้าประตูพระเนพานได้มีมันจะยังยังจะยัดเยียดกันอยู่นี่ลูกเอ๋ยร์้านเอ๋อร์ใกล้ที่ดินเท่าเก่ามันก็ไม่เท่า เพราะมันทํอาอำวิมานในทางอากาศไม่เป็นดํานาก็ดํานาในอากาศไม่เป็นหรือใต้ถุนก็ไม่พอนั่นเห็นดินก็เห็นจําเป็นก็ทิศดินก็น้อยลงต้นไม้ก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงทรัพยในดินสินใน น, น้ําก็น้อยลงเพราะคนมีมากใช่ไหมจะให้มันยังยังเท่าเก่ามันไปยังมันมันเหลือวไใไสัแล้วถูกไหอ ม, มันมันยังไม่ยางเท่าเก่าแล้วให้นอนดินนอนไม่เป็นสักคนนะ นั่นก็ต้องเอาไม้มาทําเรือนใช่ไหมต้องเอาเหล็กมาทำอีกทีนี้เหล็กก็เอามาออกมาจากท่าดินใช่ไหมนั่นมันก็น่าสงสารพวกเราที่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารแล้วให้ปัต น, นาเฉ่งพระนิพานท่านลูกหลานเอ๋ยเบื่อมากมมก็รักษาศีลสิศีลไม่มีพวกเรา กินเป็นระยะเป็นระยะมันมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เมาเป็นระยะระยะมันก็เสียทรัพย์เป็นระยะมันก็เกิดโรคเป็นระยะต้องตีเตียนเป็นระยะไม่รู้จากอายเป็นระยะผ้านุ่งอยู่ดีๆก็เปื่อยกายได้ใช่ไหมนั่นมันก็ทอนกาลังเป็นระยะศีลห้าเป็น เป็นสันญิภาพเลยแล้วแต่พวกเราไปหาสันญิภาพทางอื่นมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยมันมันไม่ไม่เห็นสันญิภาพแท้แล้วพวกชาวโลกไม่มีสีหน้ามันจะเอาสันญิภาพมาจากประตูไหนอืมเอ้าถ้าชาวโลกไม่มีสีหน้าทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซตรนันก็มีไม่ต้องมีก็ประหยัดเข้าแล้ว ชาวโลกเขาประหยัดเขาแล้วนอนก็ไม่สะดุกงตัวเพราะมันมีเวรอยู่รอบข้างเอ้าไอ้กรมทหารใช้เงินกี่ล้านบาทอ้าวกระทรวงกระทรวงกระทหวงอ๋ออนับเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านใช่ไหยเออเออพวกพวกตำรวจใช้ใช้เงินขนาดไหนเพราะเห็นนดเพราะมันไม่มีเส้นห้าถ้ามีเส้นห้าแล้วกรมทหารก็ไม่ต้องมียึดยุกกระทรวงลงอีกด้วยนั่นอันนั้นมันมีหลายกระทรวงเอ่า เพราะเหตุใดเพราะเหตุความชั่วผลของกรรมมันมีถ้าผลของกรรมไม่มีมันก็ไม่เป็นปัญหาผลก็กรรมมันมีอยู่นึกแต่ว่าแมวมันก็ไม่รู้จักบาปจักบุญมันกัดหนูหนูก็โกรธให้มันเมืะพเกิด่ันหน้ากูจะเป็นแมวกูกัดมึงก็กัดกูอยู่นี่เสือกระบวก็เหมือนกันอะไรต่ออะไรก็เป็นเวนเป็นภัยสนองกัน มึงเล่นเมียกูกูก็เล่นเมียมึงมึงรักของกูกูก็รักของมึงนั่นมีแตเวียนสนองเวียนไปสนองไปจะเอาสันติมาจากประตูไหนนั่งไม่มีชสี้นห้าเอา้าชาวโลกมดมดโลกเน่ยมนโลกเนี่ยคงจับไม่มีพลเมืองไม่ต่ำกว่าพันล้านใช่ไหมพันพันพันพันพันล้านพอไหมไม่ไม่ไมพอ ไม่ถึงห้าห้าพันล้านถึงไหมฮะห้าพันล้านคนห้าพันล้านมีชิ้นห้าพอพันคนไหมนั่นนั่น น, น, น, นตั้งกฎหมายมั น, ม, นมันถูกอยู่กฎหมายแต่คนมันไม่มันไ ม, นมน่ไปตามกฎหมายตั้งไว้แล้วมันก็โกหกมันอีกใช่ไหมต่างคนก็ตาโกหกกันในสังคมเออ ใครก็เอาวิชากงหกพกลมมีแต่โจรเต็มโลกใช่ไหมพระก็รักบ้านบ้านก็รักพระรักตัวลอยยิงราชาดรก็เหมือนกันชาวโลกก็เหมือนกันไม่มีศีลไมรทม ปากเป็นทําหัวใจเป็นยักษ์เงินก็อยู่ไม่ไหวแล้แบบนี้คนก็รับวันมากขึ้นแผ่ออนดินเท่าเก่าราคาแผ่นดินมันสูงขึ้นทีนี่ประเทศอื่นเขากะแซงมาซื้อทีนี่แล้วก็ยุ่งกันในเรื่องแผ่นดินเห็นไหมประเทศอื่นเขาก็แย่งมาซื้อเขาก็ เขาก็เหลือประเทศเขาเหอนกันเขาก็แยงมาแย่งกันมาซื่อทีแรกเขาก็ขอค่าขายด้วยขอค่าขายด้วยนานไปเขาก็แผ่ออกไปแผ่ออกไปแผ่ออกไปเป็นที่นี่บ้านของเขานี่ยเขาทําอะไรไว้ไม่ไม่ทราบเขาร่ำรวยไ้ดีๆแล้วเขาจะทําอะไรไว้ในบ้านเขาไม่ทราบตํารวจจะเข้าไปขวดบ้านเขาขเขยัดเงินให้ซะยุดยุดจุดแต่ว่าเขาสร้างอะไรขึ้นไม่ทราบบ้านร้อนนั่นอันนี้ก็หน้าพิจารณาอยู่ เราให้เขามาค่ามาขายด้วยเออเออความจัดจ้างของเราก็ไทยทำไทยใช่ไม่ใช่ไทยทาไทใช่ไทยไปไปนิยมของเขาอ่ะ <c> อ <oughs> <c oughs> ิจตาวาหนวย่ยแล้ว่าคันเขาเฮ็ดยังใช่กับปของมากดีๆนะพ่ะขัญญาติกันซื้อสั่น มาทำข้าวห่อไชแมตองข้าวกระบังคนมื่อจะกินไม่ใช่เขากะว่าออกขีใสมาเดียวเราอันเปความเลาอย่าแต่วันหวยเราตายเลยวั่เดียวนี้จะต้าอุ๊บหาอา่มันใกลสิตายเลยอุ๊บลำลูกองหลานเนี่ยห่ออุ๊บลำลูกองหลานพุทธิศืบมาไปทั้งนามมันไปจกตากันท่นกรรมและขดผลของกรรมมันมีกรบมเสือพระพุทธศาสนาเนี่ ฝนข้องกับ ม, มันไม่หยั่งตีเจ้าสิรตังเจ้าศิบิด่ิวขอนไม้ไปไหนกบิดพิวไปทำแมเมจ้าฝนของกับ ม, มันตามะลองด้วเออหลวงปู่ไปยิ่งนกมัน ก, ก็ตามมาแหลกใหญ่เก็บหัวใจน่ะ ย, ยิ่ยงต่อายุสิบห้าปียิ่งนกเข า, ขาเมันตามมาแล้วยกพวกแหวกมาหลวงปู่จับเอายิ่งเลยพุ้มันแต่ว่าก็สองคำเลยก็คอย มึงถนามึงถนากูจับอยู่ดีๆว่าเยี่งยงกูยังมันใจว่ า, ามัก น, ามมานก็ตามมาถึงอะไนี่แต่อยุสิบห้าปีตามมาถึงสองพันห้ารอยสามสิบนี่เป็นโรคหัวใจตีบเกือบไปโรงพยาบาลราท่า น, น, นตามมาเล้วนั่นมันบัฒดธรสมัยปไปใสเลยไดไ้บอกฉันว่าคนก็กลรบวัดนธสมัยเลยมีคนกรุงเทพไหมอยู่นี่ไม่มียกมาขึ้นมีกี่คน ฟังออกไหมนะเขาพูดฮะฮะฟังออกแต่พูดไม้เป็นใช่ไหมออกแตพูดไม้เป็นแล้วก็น่าสงสารชาวโลกแต่เรามบรรดาจะตายแล้วหน่าสงสารพวกลูกๆและหลานอยู่ข้างหน้า อ, อยู่ในอนาคต แผ่นดินนับวันแคบนี่นี่นพวกปลูกฝังพวกเกษตรกรตะแกนแล้วก็พวกชาวไร่ชาวนามันทำนาใต้ถุนไม่ได้มันไม่พอ ก, กันจินเนี่ยมันก็ทำนาอากาศไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวพวกพ่อค้าพ่อขายามันก็ทำสุด ทำชันช่งสูงให้มันสูงขึ้นไปข้างหน้าสูงไปมากก็แผ่นดินถล่มทีนี้นี่มันก็ยากเหมือนกันยุ่งยุ่งใหญ่ทังโลกอันนี้พระบรมศาสด า, ามาให้คะแนนเลยคะแนนโลกรถฉีตีติแปลผู้ใหญ่ยับไปพระบรมศาสด า, าทาชั้นสูงทำชั้นสูงนะเมืออเอ่อยโยเออเมื่อยโ หายพ่อนอะเออเออสัพพโรคามนิมโตสัพพสันตาวะวติโตสัพพะเวะติกันโตนิพุโตยตองภาวะสัพพีติโยยวัตจนสัพพโรโคยันตสัตุมาเตะวันตรยทุคีตีขายุโคโออภิวานสีนิานิจังวุทาวิจายโตารธรมาวัันติอายนูทุังพระอรเอ้ย มูตัวภากันถือเส้นหาเน้่ยดูได้ว่าได้ได้อเออมูมีมเส้นหาเรา ว, ว่าจะเลื่อนได้เส้นหาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมีงมเงื่อนว่าเธอได้ไปเรีนเตลเลขกันแล้มันมันชิพหายตายยุ่นเนอะโอ้จาได้อยู่มีงมเงื่อนว่าจะได้ไปเรียนเตลเลขเออข้าอยากค่ายให้รัฐบาล น, นี่เลยเพื่อ น, นึงเทศอัพอัพอตายเพื่อ น, นึงไปเปิดเด็กเบือดละสามเที่ยวเที่ยวโตโตไปยังหน่อย ตัวเป็นอันได้อำเภอบะรัฐอำเภอวะเออเ อ, อจับหัวนี่จับแบบรูรกัน้อนนี่จะสูวาประมาณฟ้อติดตารางหกเดือนเพราะอะจับแบบรูรกันร้อนได้หนเออจับหัวได้อำเภอว่านี่เออได้อำเภอ้องสูงออจับแบบรูรกันร้านนี่ไปฟ้องกันว่าะไได้บาสัถ้าอย่งไงไม่มีมารยาท พระยังไงไม่มีมรารยาจอบหัวข้าข้าจะฟ้องพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงทรงอยู่ที่หัวใจเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพี่นาดลงจากหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนแล้วพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่หัวใจได้หรือเราก็เหมือนหมดหม้วยสุดชิ่นตะกุนพุทธไครรานไคร่โลกราวพุทธธรรมสง ผลของกรรมอันแม่ดีจะตามบันจุงอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วสไส้พุทธไม้ใดๆก็ตั้งไม่อยู่บูของทมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยชาวตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเถือนพระบรมศาสนาสอนแล้วเราจะไปหาสันติสุขที่ไหนอีกมันไม่มีแล้ว แล้วพุทธศาสนาสร้างบา ร, รมีมาสอนโลกก็มีพุท ธ, ธจริยาสามจะมากี่ร่านพระ อ, องค์เป็นยุๆๆๆก็มีคำสอนอันเดียวกันไม่ได้รับร่างพอรบอกันเลยมายืนยันทำสองประเภททำเป็นโรคบาลคุ้คมครองโลกสองอย่างความร้ายต่อบาบความครัวต่อบาบเท่านั้น ควคงมของโลกได้ด้านศีนก็คือศีนห้าเบื้องต้นศีนห้าถ้าไม่ร่วงแล้วเมื่อก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจศีนสิบศีนแปดถ้าไม่ร่วงแล้วเมื่อก็เป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ดวงใจศีนสิบก็เหมือนกันศีนสองรอยี่สิสบเจ็ดก็เหมือนกันมันตัดศีนลงในปัจจุบันตั้งมั่นลงในปัจจุบันรอบรู้ในปัจจุบันก็คือศีนสมาธิปัญญางคงเกินกันอยู่ในปัจจุบัน ศี ies, ลตัดสศนตรงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันปัจจุบันในิจปัจจุบันนิธรรมเป็นศีลตัวเดียวเป็นสมาธ right. ิตัวเดียวเป็นปัญญาตัวเดียวเหนียวร่างอยู่ที่ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจเข้ามามีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีอย่เป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่ว จงเป็นผู้ด่วนทำความดีจงเป็นผู้ด่วนนึกไปในทางดีจะเป็นผู้ด่วนนึกไปในทางช่วเลยอารมณ์ของใจจงเป็นอารมณ์ไปทางดีเถิดอย่าเป็นอารมณ์ไปทางเบียดเบียนตนและท่านผู้อื่นเลยเนื่นคือคำสอนพระพุทธศาสนาจงเป็นผู้ใจถึงในการละช่วยทำดีจะเป็นผู้ ใจถึงในทางทําชั่วเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทาดีอย่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทาชั่วเลยมีที่แสดงไหมไม่มีที่แสดงพระคนตายมันทําดีไม่ได้เพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นเพราะมันไปอยู่ที่อื่นแล้ว ทาดีก็ไปฉลองใจทําชั่อก็ไปฉลองชั่วยอยู่ที่ใจทาดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำเชื่อก็ไปบวกชั่ออยู่ที่ใจนอกจากใจไม่มีอะไดจะบวกดี <ette> บวกชัว่วอยู่ที่ใจเลยใจเท่านั้นเป็นผู้มีรายรับรายจ่ายบวกดีบวกเชัว่วเพราะเป็นหัวหน้ากายวายาเป็นหัวหน้าตาหูจมกูกเลี้ยงกายแต่เป็นหัวหน้าได้บางอย่างแต่มันเหนื่อยมากทีนี้เมื่อมันเก็บปวดลงมาเหนื่อยมาก บอกให้มันลุกเถิดลุกเถิดมันก็ลุกไม่ได้เหมือนรถเมื่อธาตุดีน้าไฟลมไม่บริบูรณ์เราจะบอกให้มันไปเถิดไปเถิดเอาค้อนมาตีบางโคนเียงเพียงมันเพียงมันก็ไม่ไปใช่ไหยฉันเองพอดีเมื่อร่างกายไม่บริบูรณ์ขาดธาตุดีน้ำไฟลมแล้วจะบอกให้มันลุกมันก็ไม่ลุกใจยังมีอยู่จะบอกให้ลุกมันก็ไม่ลุก มันก็อยู่ใต้อานาจของใจเป็นบางส่วนแต่เมื่อมันอ่อนเพลียมาแล้วมันลุกไม่ได้มันก็ไมาอยู่ในอํานาจของใจรถเรือก็เหมือนกันรถเรือภายนอกก็เปรียบเหมือนกายว่าจากผู้ขับรถก็เปรียบเหมือนใจฉันในก็เหมือนกันมีใจใจที่อันนี้มันอ่อนเพลียลงมาแล้วมีแต่ลมลุกเถิดลุกเถิด ก, ก็ลุกไม่ได้นะ นั S 1> <S 1> ่นฮะฮะฮะบะมามามาเก็บเช้าแล้วมาเข่าเช้าแล้วรู้จักเศร้าไหมหายแล้วหายแล้วได้อยู่ เขาผ่ารืว่าปูชิปวันก็หายหมดชิปวันก็หายแผลไม่ได้คันแห้งลงไปแห้งลงไปเลยเรานึกว่าเราจะได้เกาก็ก็แกร ก, กอย่างนี้ไม่ได้เกา ม, มันแห้งลงไปแห้งลงไปเลยหายเลยชิปวันหาย ไม่ใช่ผ่าลูกอันท่าเนี่ยมันออกขนาดนี้เนี่ยมันเอาเข้าไม่ไหวมันในเน่าใช่ไหมมันก็สรบมันก็สรบมันออกขนาดนี้เนี่ยมันเอาเข้าไม่ไหวเนี่ยแต่ก่อนมันเคยเคยออกไม่ขนาดนั้นมันแซงตรงนี่แล้วเอาเข้าไม่ไม่ไหวเอาเข้าไม่ไหวแล้วมันก่อนอันนี้ก็ระเบิดขึ้นเนี่ยหัวใจก็ระเบิดขึ้นแล้วก็ลูกบากโตก็ระเบิดขึ้นปัสสาวไม่ออก สามสามข้อนแปดปอนนะมันตีตรงนี้มันก็ไปเลยศรีนครินเชิดน้อมอเชิดตันตะศรินเชิดชัยตันศริตันติศรินเขาพาให้หลวงปู่แต่หลวงปู่ไม่รู้ยโสหนี่ยอะไรหรกากเพราะมันตายไปแต่นี้แล้วมันจบไปแต่ที่นี้แล้ว รวงปูรูตัวเขากระ่าเรียบร้อยแล้ว ม, มั น, กนมเกง่งเก่งมันี่เก่งมากมีรอยนิดเดียวเขาผ่าทั้งสองทางเลยเขาเก่งว่ามันจะลงมาทางนี้แล้วก็ผ่าทางนี้แล้วก็ามาแฝงทางเขาตัดไส้รวงปูออกสองฟุต ของฟูดมันก็หกที่เพลนกว่านี้นี่นี่นี่นี่คนไม่มีไส้เนี่ยนี้มีไส้นี่เขาตัดควางทิ้งแล้วนี่มันเปื่อยมันเน่าถ้าไม่ตัดลุงปูกเขต้องตายคืนมาไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ปฏิญญากรรมหลวงปู่ว่าจะไม่ผ่าไม่ตัดโรงพยามาไหนปฏิญญากรรมหลวงปู่ก็อย่าผ่าจะตัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปฏิญากรรมหลวงปู่มันได้รับปฏิญญากรรมหลวงปู่เลยเนี่ยเขาก็เลยหาโอบาย ทำวัดไหวแล้วเขาเขาก็เลยผ่าหลวง ป, ปู่ก็จึงเหลือมาถ้าอย่างนั้นหลวง ป, ปู่ก็ตองไปในคราวนี้หลวง ป, ปู่ตายคราวนี้ไม่ฝันเลยเยียบคงจะนามเหมือนกันจะรบไปแต่ที่นี่จนไปถึงคนกัน เงียบเลยไม่รู้จักว่าเขาเอาลงไปด้วยวิธีไหนไม่ได้ฝันรัชวะก็ไม่อยากออกด้วยรัชวะก็ไม่อยากออกด้วยโรคอันนี้ก็ปวดด้วยนอะฮ ะ, อออะไปเถิดไปเถิดพวกเรามันก็ลุกเกินเลย มันเขารู้ขึ้นอืมเมื่อกหมดกําลังคนแปดคนชนะแล้วอะเรามีชนะมุยร์แล้วไม่อันนี้ยังเหลืออยู่นี่อันนี้ยังเหลืออยู่นี่อนี่ยังเหลืออยู่โรคโรคไม่ชนะมันเลยเบนว่าจะจะรั่วตามเป็นจริงมันจึงจะชนะมันรั่วตามเป็นจริงแห่งสังขารแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกมันจึงจะชนะมัน ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นถึงใดในโลกอยู่ก็เรียกว่าไม่ชะนะมันถูกแพ้มันถ้าไม่ฉลาดเหนือความหลงของตนก็เรียกว่าไม่ชะนะมันถ้าชะนะก็ชะนะอยู่เมืองไกลถ้าแพ้ก็แพ้อยู่ในเมืองไกลชะนะโรคโกโรธหลงก็ชะนะอยู่ที่เมืองไกลไม่ได้ชนะอยู่ที่เรีนฝ้าอากาศเลยแพ้ก็แพ้พอยู่ที่เมืองไกลเหตุนั้นการชะนะในทางภายนอกจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาะแต่พวกเรา ชาวโลกยิงจรวดหรืออะไรต่ออะไรรบราข้าฝันก่อนเพื่ อ, อให้ช น, นะมันก็มีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยนันน่นพระพุทธศาสนาจึงปลดอาวุธในศีรษะซะไป ป, ปประชุกประชุกนะ จกปะจกพุทธโมสังโกโตชมูส Th ังโกโตชมูชังโกป่าภาวนาพุทโตเนอไปในรถในเรือเ้อะเออมันจะโมเป็นอันตรายเออภาวน่าพุทธโตพุทโตไปมันจะโมเป็นอันตรายมันจำโมเป็นผู้ส้นเท่ากับโมเป็นส้นเขาเขากับโมเป็นผนเน่าด้วยฮะ ได้ด้วยเดชคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระญาสงย์ย่าให้เป็นอันตรายได้ทั้งสิน้นเน อ, อ, อะ่งางฉันเอาพุโทโธพุโทโธไปจนตัวกระนึกทุกอย่างไปอออืือืมมม